พระบัญญัติหนึอก็ภิกษุณีใดจำบรรษาแล้วไม่ปรวรรณาในสงสองฝ่ายด้วยฐานะสามคือด้วยได้เห็นด้วยได้ยินหรือด้วยระแวงสงสัยต้องอบัตปาจิตตีเรื่องภิกษุณีหลายรูปจบ